มีนาคม2507ณวัดป่าบ้านป่าจังหวัดอุดรธานีพระพุทธจ้าที่ทรงค้นหาสารสนิความทุกข์ภายความทุกข์ภายความสุขภายในความสุขภายใน เราเปรน้ิสยยัยหรือท่านก็จริงอย่างแข็งแกร่งคะคนมดุจึงหมดเเรียบว่าพยายาจบทั้งทางโลกและทางธรรม ุ่ความทุกข์ที่ทำให้โลกในละความเกลียดเล่นดึงดึงกส่งคนทุกทุกที่ทำให้โลกในผลิตผลต่างๆกันก่สองคนทุกขการเหตุแความทุกขภายในใจ ที่ทำให้จิตทั้งหลายเย็นเยาตายเกิดในระดับทั้งสามไม่มีจกขึ้นเล ห, หน้าก็สงค์เพลุ่กที่อาศัยอยู่ตับใจเพราะไม่สามารถจะรู้สาเหตุเป็นที่เกิดขึ้นของทุกและไม่สามารถจะแก้ได้ขึ้นสาเหตุ คทุกนั้นดึงเป็นเหตุทุกข์ซึ่งเป็นตัวผลนั้นนื่ออยู่ภายในใจิตใจพระองค์ก็ส่วงค้นพบและรู้เลยจบสิ้นไม่มีเหลือหลู่ภายในพระทัยเมื่อทรงมีความรู้ความสมบูรณ์ทั้งเหตุและผล ทุกภายนอกความทุกข์ภายในจเจริเป็นผู้บริจิตกปรากฏเป็นกาสดาของพระพุทธเจ้ายอย่างสมบูรณ์และก็ปรากฏเป็นกาสดาของโลกโดยสมบูรณ์อีกใอัสองเราทั้งหลายผูก การกระพระพุทธเจ้าแน่จะเป็นการยากลำบากอยู่บ้างในการพยายาแต่ก็มีช่องทางเดินที่พระพุทธเจ้าทรงที่เหนียวแน่แม้จะมีความทุกข์ลำบากหลายด้านหลายทางเหมือนอย่างพระพุทธเจ้า ไม่มีใครสั่งสอนโทนไว้แต่ต้นทังนื้ทั้งหลายแม่จะเป็นคํามกดสีบ้างในการกระประกอบตําเถึงแต่ก็ยังมีผู้ที่แข่งในทางทางเดิมที่แถวแห่งธรรมะท้งทางจิตและถูกเพระพวกทกอ่างก็เป็งที่ได้หมดแล้วนอกจากจะพยายาม ละเว้นตามทางที่เป็นฝ่ายผิดเพื่อจะดำเนินตามทางถู่ที่ตรงนี้ในทางเราได้เท่านั้นก็ไม่เห็นมีการลำบากมากเท่าเหมือนกับเท่าเหมือนกับพกศาสตร์ของเราถ้าจะเทียบกป็มาภายนอก เป็นเราจะปลูกบ้านปลูกเรือนน่าช่างผู้จะทำบ้านเรือนก็ได้เรียนวิช้าข้างนราอย่างพอแล้วเครื่อ ง, ง, งอุปกรณ์ต่างๆก็มีอยู่ดยโดยสมบงแล้ทำยากในการปลูกบ้านปลูกเรือนก็เพียงแต่เป็นวงแคบๆ นายจะยึดยอดสิ่ง น, นั้นมาประกอบสิ่งนี้ยอสิ่งนี้ไปประกอบสิ่นั้นหนักบ้างเบาบ้างในเรื่องขนการงานเท่นั้นไม่จําเป็นจะต้องวิ่งจนแข็งขกรยแต่าหาหลักพิพาหรืหาตัวไม้มาจากที่ไหนส่วนพระพุทธเจ้าของเราไม่เจ็นเท่านั้นไหนจะต้องหลักเรียนหลักพิพาและหลักพิพานั้นก็ไม่มีใคร ขานพระพุทธเจ้าไว้ตั้งพระพุทธเจ้าเป็นครูของพระองค์เสียเองทั้งหลักวิชาและการกระกอบเราจะมาเป็นหาักปดาของพวกเราก็เหลือบ่ามีความทุกข์ากันมากมากที่กว่าเราที่ตามเสด็จประพุทธิจ้าโดยมีช่องทางอยู่แล้วนี้ ธรรมะแปดหมื่นสี่พันระธรรมขังที่ทรงคือไร้ทุกข์กระเทืล้วนแต่เป็นธรรมะที่จะแสดงเพื่อแก้จุดบกพร่องของแต่ละบุคคลซึ่งก็มีความบกพร่องอยู่ด้วยกันต่างกันอยู่บ้างก็เพียงมากกับน้อยเท่านั้น ที่ท่านลับไว้เป็นหลักอริยสัจประจำก็ศาสนามีธรรมย่อหลาะพุกในสมุทัยมีโลภนัดมีท่านด้ น, น, น เ, เข้ามาให้มีเยงยอ่อๆของมี้ แต่เมื่อจะขยายหลักของอริยสัจจะทำทั้งสี่ให้กว้างขวางตามความเป็นไปแห่งสภาวะทั้งหลายที่เกี่ยวกับอริยสัจสี่นี้แล้วโลกกว้างขนาดไหนโลกมีกี่ภพเรื่องของอริยสัจจะทำทั้งสีนี้จะสะเทือนไปทั่วทั้งไตรโลกธา ไม่ว่าโลกกระทาจะกว้างแคบขนาดไหนอาณาจัก์จะมีความหมายไปเท่าเทียมกันกับโลกกระทาที่มีความกว้างแคบขนาดนั้นนั้นเป็นยกคุกขึ้นในเรื่องต่อคำว่าคุก จะไม่อยู่ในสถานที่แห่งใดนอกจากจะอยู่ในสัตว์สังขารที่มีใจครองเท่านั้นดุนฟ้าอากาศไม่เป็นสถานที่อยู่แห่งทต้นไม้ภูเขาในน้ำบนบกไม่ใช่เป็นสถานที่อยู่แห่งทิศทุกจะไม่อยู่ ลุทธุกจะไม่ตั้งบ้านตั้งเรือนอยูตามสถานที่ที่กลามาแล้วนี้เดียแต่จะมีอยู่สับตว์จะสัง้งฐานที่มีใจ ค, ครองเท่านั้นเาะนึกธรรมวสัตว์จะสร้งฐานที่มีใจครองนั้นในตรัยโลกธาตุคือกามาพบยุคามาโลกรูปกระโลกอารูุปกปโลกนี้จะเต็มไป ด้วยจัดและทั้งขาที่มีใจปรองทั้งนี้การแตกต่างกันนั่นจะมีอยู่บ้างตามภูมิอนาจมาสนาอิสลามผลแห่งกรรมที่ทำไว้มากน้อยต่างกันเป่นมนุษย์โลกของเราเป็นโลกที่เกี่ยวกับด้านมัดก แม้แต่สัตว์ก็ต้องมองเห็นกายกาอยากายกายตัณกลางกายละเอียดแต่ก็ยังรวมอยู่ด้านวัตถุโลกรูประโลกอรูประโลกไม่เกี่ยวกับด้านวัตถุแต่ก็เป็นทบของสัตว์ประเภทหนึ่งคำว่าสัตว์นี้หมายถึงคําว่าเป็นคู่ยังคล่องอยู่ในโลกธกาตุ ทั้งสามนี้เรียกว่าสั์แปลว่าผู้ยัง้อ่อ่นอกจากนั้นยังมีภูมิต่ำยิ่งกว่านี้ไปอีกทนายสกพ ร, เรพกพรเรกปรตอเสือกายจัตนาล้มีก็ไม่เกี่ยวกับด้านวัตถุเหมือนกันที่กล่าวมาทั้งหกนี้เ ร, เรียกว่าสับและสังขารที่มีในเครอ เมื่อสัตว์และสังขารอันเป็นพาถนะแห่งทุกมีอยู่ในสถานที่ใดพบใดเรื่องของทุกก็จะต้องมีอยู่ตามสัตว์แต่สังขารตัวเพื่นนั้นๆในพบนั้นๆเพราะฉะนั้นคําว่าทุกจึงเป็นธรรมชาติที่กว้างขวางมากมาย นอกจากจะรทุกขทางกายแล้วยังเป็นเหตุให้ทุกข์ทางใจมีทุกขอยู่สองด้านมีแต่เป็นเรื่องของตุกเรื่องของสมุ ท, ทัยคือความบกพร่องในตัวเองไม่สามารถจะปฏิบัติต่อตอนเองให้ถูกต้องได้กลายเป็นความสมบูรณ์ขึ้นในเรื่องความสุ็เพราะฉะนั้นความบกพร่องของตน ที่เกิดขึ้นจากความไม่ฉลาดในวิธีวิขาตัวเองจึงเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่จะให้เกิดทุกข์ขึ้นมาพูดอย่างง่ายๆที่เห็นกันด้วยตาเนื้อเช่นดั ง, งคนเรามีรูปร่างกลางตัวให้ที่ว่าคนเหมือนกันแต่ความโง่ความฉลาด ในอุบายวิธีที่จะกลับตรุงตนเองให้เป็นไปเพื่อความสมบูรณ์ถึงจุดในครอบครัวไม่หาขาัดตกบกพร่องในสิ่งอาศัยที่จะเป็นไปในครอบครัวของตนแต่ละครอบครัวนั้นมีความโง่ความฉลาดไม่สม่ำเสมอต่เพราะฉะนั้นเรื่องความทุกข์ยังมีช่องทางที่จะเกิดขึ้นได้ ครอบครของความบกพ่องของแต่ละครอบครัวหรือท้องแต่แต่ละบุคคลนับสมบัติเงินทองเข้าของซึ่งเป็นเครื่องอาศัยแต่ละอตัตลักษและลรืแต่ละครอบครัวมือเป็นสิ่งจําเป็นที่มนุษย์เราทุกๆุลูกทุกๆุกนามจะต้องอาศัย แต่อุบายวิธีที่จะเสาะแสวงหาเพื่อสมบัติทั้งหลายเหล่านี้ให้มีความสมบูรณ์ขึ้นในตนแต่ระบุคคนและครอบครัวนั้ น, น, นย่อมไม่มีความฉลาดพอจึงทั้งหลายเหล่านี้จึงเกิดขึ้นไม่ได้ตามใจหวังเมื่อสมบัติอันเป็นผลผลเกิดขึ้นมาจากความฉลาด หรืออุบายวิธีของผู้แสดงหาไม่สมบูรณ์แนผู้นั้นและภาครัวนั้นจึงเป็นเหตุให้บกพร่องในเครื่องช้าในสอ่ออาหารการบริโภคสมบัติเงินทองเมื่อจุงเหล่านี้ไม่สมบูรณ์พอกับความต้องการท้องทาดขัน ที่เขาอาศัยเป็นประจําทุกวันเนี่เรื่องของทุกข์จึงปรากฏขึ้นในบุคคลและครอบครัวนั้นๆเรื่องของทุกข์ที่ปรากฏขึ้นนี้เกิดขึ้นจากความบกพร่องในอุบายวิธีต่างๆของแต่ละบุคคลนี่ท่านเรียกว่าสมุภัยต้นเหตุที่จะให้ทุกข์เกิดขึ้นในครอบครัวได้ พาอุบายวิธีมีความฉลาดเพียงพอกำลังบางชากเกิดขึ้นจากความเฉลียแม้ตนทำไม่ได้ก็ต้องมีอุบายวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งคือจะให้คนอื่นทำหน้าที่แทนเช่นลูกจ้างเป็นต้นมาทำหน้าที่แทนเราในครอบครัวหรือโรงงานนั้นๆสิงทั้งหลายที่เกิดมิ่งขึ้นก็เป็นไปได้โดยสมมุติเพราะอำ น, นาจจากความเฉลีย อุบายวิธีที่เป็นไปด้วยความฉลาดนั้นท่านเรียกว่าแนวทางของความเจริญของครอบครัวและบ้านเมืองนี่ทันเดียกว่ามะทาให้ฉลาดรอบขอบในอุบายวิธีที่จะสาะแสวงหาทรัพย์สมบัติมาไว้ในครอบครัวนั้นท่านเรียกว่าสมทไทยคือแดนเป็นที่เกิดขึ้นแห่งความบกพร่อง อันเกี่ยวโยง ก, กันกับเรื่องความทุกข์จะเกิดขึ้นนิดขึ้นมีขึ้นเพราะเหตุของความบกพร่องในงหมองนั่นแหละมีขันดาเป็นเนื่องสมุทัยมีความจุอเอ น, นื้อจกันไหนเมื่อสมุทัยมีช่องทางเกิดขึ้นได้ในลายไหนในบุคคลใดในครอบครัวใดครอบครัวนั้นต้องได้รับความทุกข์ไม่มากก็น้อย ตามแต่ช่องทางของความเจริไทยของสมุทรไทยจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้เพราะเหตุให้งความร่ยความสลัดทั้งหมดจะมีกำลังมากน้อยคำว่านิโรธนั้นได้จากความสงบเรียบร้อยในภาพถูวเมื่อพร้อมแล้วซึ่งอุบายวิถีที่จะแสวงหาทรัพย์สมบัติโดยถูกต้อง ภพทัวนั้นๆก็มีความเลกยหยุดจะหยุดสวยอันใดก็มีอยู่แล้วอย่างสมบูรณ์ถ้าจอาหารเครื่องใช้ไม้สอยพามุงผ้าแห้งจะเป็นเครื่องยนต์ น, นไกรเล็กจักรยานสามล้ออะไรก็แล้วแต่คือว่าเครื่องพาศัยแนื้อ ด, ดขึ้นมาจากรถีที่ฉลาดทางนั้น ในครอบครัวนั้นก็มีความล่มเย็งเป็นทุกข์ทุกที่จะเกิดขึ้นเพราะความบกพร่องขัดเขินก็ไม่มีมี่ท่านกะเรียดว่า น, นี่โลหะเป็นความดับทุกได้ในครอบครัวไม่เดียดนอนเหมือนครอบครัวอื่นที่เป็นพราดความบกพร่องทมไม่แข็แแต่ท่านถูก ฟังทั้งหลายโลยมากเพียงได้ยินว่าทุกสมูทัยมิโลดมากเท่าไหร่บางรายเป็นเหตุให้เ้อใจว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมะไม่ว่ามาฐานที่วิการใหนจะต้องรกเรื่องของทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งที่หับทั้งหลายไม่ปราถนาขึ้นแสดงไง แล้วเป็นเหตุให้บรรดาศัตว์ทั้งหลายได้มีความอับเฉาโตกเศร้าพานาจิตใจเมื่อได้ยินได้ฟังเรื่องของทุกข์ที่พระพุทธเจ้าแสดงนั่นแหละแต่แท้ทีจริงหาเป็นเช่นนั้นไน่นี่เป็นความเข้าใจผิดของผู้ฟังตังางแต่เรื่องเรื่องความเข้าใจที่ถูกต้องตามสวขาตาธรรมที่พระองค์ท่านทรงรู้ทรงเห็นและได้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 ทำมาทุกข์ไม่เพียงแต่วะทุกข์ภายในใจื่องของกายก็ต้องเป็นทุกข์ถึงเวลาหลับนอนไม่ได้นอนหลับนอนตา ม, มเวลาเวลาะต้องเป็นทุกข์ถึงเวลารับทานไม่ได้รับทานเพเป็นทุกข์หนาวไม่มีผ้าห่มก็เป็นทุกข์ร้อนไม่มีน้ํำอาบก็เป็นทุกข์คุณที่จะมาแก้ไขเรื่องทุกข์นี้ต้องขึ้นอยู่กับ การแสดงหาของแต่ละบุคคลที่จะนํามาเยียวยาแก้ไขทุกที่มีอยู่ในแก่นของรางกาให้ได้บรรเทาลดหายไปเพราะฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าทรงที้เรื่องของทุกให้เราทั้งหลายได้ทราบนั้นก็คือแบบชี้เรื่องของผลว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่ัว์ทั้งหลายไม่ปรารถนาเช่นนี้แล้วก็ทรงที้ยุทธีการและ ตรงที่เหตุที่เกิดขึ้นแห่งทุกนี้ให้ฟางก่อนเช่นครอบครัวไหนมีความทุกข์จนคนแทนหาเช้ากินเย็นก็ไม่พัพฟอปากพอทองนี่เป็นเพราะเ ห, หตุอะต้องเป็นเพราะความเกียดคร้านความไม่เอาใจใส่ในกิจการงานหน้าที่ของตนที่จะเป็นที่ไหลมาแห่งโทรกระดัและเป็นเพราะความโง่เขลาของตนเอง ไม่มีความฉลาดในอุบายวิธีที่จ ะ, สจะเสาะแยงอาภัพสมบัติมาให้เป็นความสมบูรณ์ในครอบครัวเช่นอย่างบ้านเมืองของเขาที่มีความสมบูรณ์ด้วยความขยันหนักเพียนและความทลาดต้องคิดอีกหนี้งเนื่อทพกปรากฏเป็นผลขึ้นมาก็ต้องคี้ถึงเรื่องของเหตุว่าทุกต้องมีสาเหตุเป็นที่เกิดขึ้น เป็นเกิดขึ้นมาเพราะความเกียจแค้นต้หมัดไม่มีตัวเองก็ต้องเสียสุขแล้วตรงที้ถึงเรื่องของความสุขเ้มความสุขในครอบครัวนี่จึงเป็นตัวผลความสุขนี้ก็ต้องมีสาเหตุเป็นที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นจากความขลาดและความขยันหมือนเตียยในหน้าที่จิบตารงักเมาเอากะสุไม่ลดละในหน้าที่การงาน ที่จะเป็นที่หลังมาแห่งทุกขครับเรื่องอริยสัจจะต้องชื่ตามจิตแห่งความบกพร่องอันเป็นที่เสียดขึ้นแห่งทุกข์และชื่อตามจิตคือความสุขอันจะเป็นอ่าและชื่อตามท้ายเหตุแห่งความสุขที่จะให้เป็นไปเพื่อความสุขในครอบครัว เมื่อสรุปความแล้วเรียกว่าธรรมะบทใดาบาทใดที่พระพุทธเจ้าทรงที่ลงและแนะนำสั่งสอนบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายก็เพื่อให้รู้จุด บ, บกพร่องของตนเองแล้วจะได้พยายามแก้ไขจุดที่บกพร่องนั้นให้กลายเป็นความสมบูรณ์ขึ้นมโดยวิธีอุบายต่างๆสุขก็จะปราก เริ่มปรากฏขึ้นมาเป็นหนั่เรื่องความทุกข์ที่เคยเดือดร้อนวุ่นวายมาแต่ก่อนในครอบครัวนั้นๆก็จะค่อยจิดจางและหายไปเรืออานาจแห่งมรรคปฏิบัติธารคือยุการดำเนินวันขวายหาสิ่งทั่สมบัติเพราะฉะนั้นคำว่าอาริยสัจจะทำทั้งสีลจึเงเป็นธรรมที่กว้างฝางมากมายคุกทุกยรจิตใจของบรรดาศัต และผูกตามจุดที่มีอยู่ในสัตว์ในทั้งขาเรื่องธรรมอริยจักรไม่ใช่แต่พระพุทธเจ้าจะสอนคนให้พ้นจากทุกไปนิพพานเสียทีเดียวผูกบกพร่องอยู่ในจุดใดผูกอยู่ในฐานะใดภูมิใดบกพร่องอยู่ในจุดใดก็ทรงสั่งสอนเพื่อจะแก้ไขในปมแห่งความบกพร่องนั้นๆให้เป็นความสุขอันสมบูรณ์ขึ้นมา ตามกําลังความสามารถของผู้นั้นที่จะแก้ไขตนได้เช่นผูดอยู่ในครอบครัวก็สอนให้มีความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงา น, นยอย่าเห็นความหนาวความร้อนความที่เกลียดที่ข้านเป็นของมึ่งคุณค่านิ่งกว่าสมบัติอันเป็นสิ่งที่จะสนับสนุนตนให้มีความสุขและสมบัตินั้นจะเกิดขึ้นมาได้ด้วยวิธีใดก็ให้พยายามกลับปรุงวิธีนั้น ให้มีขึ้นแังนี้เป็นต้นงั้นนอกจากจะสอนให้มีความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานเพื่อหารหายได้แล้วยังต้องสอนวิธีที่จะเก็บรักษาและการใช้ของต่างๆว่าให้มีมัดนดีตาย ภาษาุคือภาความรู้จักประมาณมีอยู่ในสถานที่ใดบุคคลใดสถานที่นั้นบุคคลนั้นจะเป็นผู้มีความเจริญสมมติว่าสมบัติมีอยู่ในเราเราเป็นผู้เร่เนนองเสร็จผลขวยหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรแต่เราขาดความรู้จักประมาณในการจัดจ่ายใช้สัพเพเหอั น, นี้กอเป็นเหตุที่มัเกิดขึ้น เพ่ความขาดแรนและความทุกข์ไอีกเหมือนกันเพราะการใช้จ่ายของเราบุกต้องในวิธีเก็บรักราษามาด้วย ก, กันเพราะฉะนั้นเมื่อได้มาแล้แลวเราก็ต้องใช้มัดดันวิชาเท่าเป็นธรรมรักษาให้มีความแน่นหนามั่นคงกว่าสถานที่ที่เราเก็บรักษาด้เช่นตู้หรือหี่เป็นต้น ซึ่งเราเคยเก็บราขาทรัพย์เราเราจะเก็บไว้ในตู้ใดหีบใดหรือเรียกก่ากำปั่นเล็กก็ตามแต่ถ้าความไม่รู้จักประมาณไม่มีความไม่รูจักประมาณไม่เท่าแทกสึสงเท่าใจแ้วธรรมชาตินี้แน่จะเป็นเครื่องสังหารครับสมบัติและสังหารกำปั่นใหญ่ๆที่เซนไปเรื่อยเหมือนนัน ให้เสื่อมถึงแต่ละฐานหายไปไม่กี่ในไม่กี่วันก็ได้เพราะฉนั้นคำอ ม, มัมตันดิตานั้นึนเป็นคมจําจเป็นและมีความมั่นคงหนาแน่นยิ่งกว่าตำปั่นนั้นเอเราจะเจ็บไว้ที่ไหนก็พอไหวถ้ามีมัตตันดิตาเ ท, ท่าสนับเท่าเลยวันนี้เราหาเงินวันนึงหนึ่งเราหาเงินได้เท่า และการจับจ่ายท้ายทับเรานั้นเราจะท้ายประมาณเท่าไหร่ลุงจะพอดีกับามจําเป็นและทับถือเท่าไหร่ถ้าเราท้ายนี้กับประมาณทับสมบัติซึ่งเป็นส่วนเก็บไว้ข้อมีที่เราจ่ายออกไปก็นํามาทำประโยชน์ขั้นหลักเลยเราก็รับความผิดทั้งส่วนที่ได้จ่ายไปและได้รับความอุณหบุญใจทั้งสมบัติที่เราเก็บไว้ เรียกว่าไม่เสียทั้งสองขนึ่งเพราะอำนาจหน่งนัการัญาความเป็นผู้รู้จักประมวลเก็บรั ก, รกษารว้ไม่เก็บไว้จนตัวเองเความเลียดเกลียดดเเกียละเกลียวเกลีกลีลเกลียดเยดเกละยดเกลียดกยดเกลีกลีดเกลีกลยดลียดเีเดเียดกลเลียดเกลียดเกีเียกล ตนผู้มีความสมบูรณ์แน่รอบคอบในการเจิบหนักวิธีการที่อธิบายมาคือการเก็บรักษานี้ก็เป็นอุบายวิธีอันหนึ่งที่จะทำสมบัติของเราให้มั่คนคงและจะทำเราให้มีความร่มเย็นแต่ถ้าทำแบบตรงกันข้ามเลย สมหัติเสียไปบันนเลสบัน น, นาไไม่สู้เท่าแต่หลักนิสัยที่เคยเป็นคนนักจับจายชื้ลู่ชื้นลานั่นแหละเป็นหลักของเป็นสิ่งที่จะสังหารตักข้ารับทั้งหลายแม้จะมีมากขึ้นกว่าที่เราเคยได้ก็ตามก็จะเคลื่อนถิ้งอันภราทานไปไม่กี่วันเพราะนิสัยชิ้ลู่ชืลานี้เป็นเพื่อคาดสำคัด ส้ำหนักจะสังหารทับสมบัติเงินทองพของ ท, องทงัทง้งชายทั้งชายทั้งมากและน้อยให้ทิ้งหายไปได้ในไม่เกี่วดังนั้นการรักษาหลักใจให้มีความคงที่ต่อตัวเองเพื่อการเก็บรักษาหรือเพื่อการจาาัดการใช้ทรัพย์ของตนเองเองจนเป็นสิ่งจําเป็นยิ่งกว่าสมบัติที่ตนหามาได้ เมื่อเราได้ปฏิบัติตามวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เช่นนี้หลยเรื่องทุกข์เราก็แก้ไขไปได้ในครอบครัวสมุทยัยสาเหตุที่จะเกิดขึ้นแห่งทุกข์เพราะความขาดแคลนก็ไม่มีเพราะเรื่องของมรรคคือปฏิปทาอุบายวิธีแสวงหาทรัพเรามีพร้อมอยู่แล้วในดองใจท่าธรรมนิโรธคือความร่มเย็นเป็นจิในครอบครัวก็มี มีเป็นอริยาาสัจประเภทหนึ่งทพระพทจ้าสอนบุคคลที่มีครอบครัวยยาเดยร์ให้เป็นผู้มีความร่มเย็นเป็นจิดตามฐานะของตนของตนส่วนอริยาาสัจประเภทหนึ่งในแก่คุกสมุทัยไม่โลดนะซึ่งมีอยู่เกี่ยวมีอยู่กับใจโดยเฉพาะนั้นยังมีอีกทาง ทุกข์ที่เปน็นขึ้นกับใจเพราะอำนาจของที่เ ห, เหลือเที่ยงริมล้อมจิตใจเท่เดียวกั็ไปแล้วหาวิธีอุบายแก้ไขเป็นเองเท่านียวกับผู้หาวิธีอุบายแก้ไขเรื่องของทุกข์ในครอบครัวแต่อุบายวิธีแก้ทุกข์ภายในจิตใจโดยเฉพาะนี้ เกี่ยวกับเรื่องการบำเพ็ญธรรมเช่นเราทัาง้งหลายที่มาอบรมน บ, บนี้คือว่าจะเป็นอุบายวิธีเพื่อการระงับกับทุกข์ภายในใจนให้หมดไปเพราะอำนาจแห่งการอบรมจิตใจให้เป็นไปเพราะความสงบเยือกเย็ด้วยความสุขก็จับใจขึ้น ดูไม hmm. ้วิธีที่จะทําใจให้มีความสงบเพื่อรับทุกภายในใจนี้สรุปคํามย่อยๆในแก่การภาวนาตามที่เคยอธิบายให้ฟังดูพยายามสอบส่องมองดูจิตใจของตนที่เต็มไปด้วยความคิดความตรงโดยมากก็ตรงไปในทางที่ทถูกบุ่งไปในทางที่จะตางสมความทุกข์ ขนมาภายในในเราพยายามสอบสองจิตใจธณิตนั้นโดยด้วยกจิตและผูกมัดด้วยธรรมบริกรรมจะเป็นลมหายใจหรือบทธรรมมีพุโทโธเป็นต้นขึ้นมีเป็นอุบาสิธีผูกมัดจิตใจทั้งตนผู้จะเกาะแสวงหาเรื่องของทุกมาเผาหล่นตวเองด้วยบทธรรมและด้วยกจิต ใจเมื่อมีเครื่องถูกมกัดมีเครื่องกำกับรักษาดับเป็นไปเพื่อถูกพังไม่ส่อแสลงหาความรุ่มร้อนมาใส่ตัวเองเมื่อถูกทางแล้วผลคือความสุขจะเริ่มปรากฏขึ้นมาภายในใจไม่ว่าใจผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าใจนักบวชคารว่าเมื่อดําเนินถูกทางตามที่ได้อธิบายมาแล้วนี้ผลจะพึงปรากฏนั้นคือความสุขเริ่มแต่ความสุขเบื้องต้นหรือความสุขขั้นตำ่ำ เป็นกระทั่งถึงความสุขอันสูงสุดเรียกว่าเป็นมิมุตพ้นจากเรื่องความทุกข์ใดๆท้งนั้นจะปรากฏขึ้นภายในจิตใจของท่านนักปฏิบัติด้วยกันทุกทุกเพศทุกทุกวันนิตที่ยังไม่ปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาเนื่องจากจิตทำธุระการอะไรเช่นเดียวกับคนที่ทํา ง, งานทั้งวันทั้งคืน ไม่มีเวลาพัก่อนผู้นั้นต้องเลยว่าทัดเรื่องของใจที่ทํางานอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องการตุ่มการตุงการคิดเรื่องคดีคณะครดีชั่วทั้งนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นภาระของใจที่จะต้องรับผิดชอบนั่นนั่นเรื่องความทุกข์จึงเป็นไปภายในใจแพทยจะพูดในรว่างเนียงนิสระ เพราะงานของใจมีเมืองนิดผลที่จะปรากฏขึ้นมาที่ความทุกข์ก็ต้องเป็นแบบในธรรนองเมือนิดขึน้นเดียกนดังนั้นอุบายวิธีที่เราจะทำใจเราหให้เป็นไปเพื่อความสงบนี้ก็คือเพื่อบ่อยวางธุณละนทาที่ที่ตนเคยคิดเคยจุ่มอันเป็นภาระนั่นนั่นเถิดทั่วระยะอันเธอให้คิดได้ทรงตัวอยู่โดยเอกคิตเอกถังไม่เกี่ยวกับธุณละนาที่แล้วความสงบสุข รู้ความเยกกิเลสภายนในใจรกบาดขึ้นมาในใจเรื่องอะไรรวิธีที่จะทำใจสงบให้สงบทุกๆวิธีนี้ท่านเรียกะะนนย่าไะวิธีทางารบไเนหรือวิธีการทำสมุทัยคืองานสงสมโดยวิธีคิดต่างๆนั้นจะอะไรับลงต่ำมิโนทะ จะค่อยมีความเยอะเย้นเพินภายในใจเพราะทุกขังเกิดขึ้นแต่ความปุ้งเฟอร์นั้นได้ดับสูญไปในขณะที่จิตได้รับความสงบเมื่อจิตได้ปล่อยวางทุระนาที่เหลือแต่ความรู้อันเดียวนั้นใครจะไม่เคยเห็นหน้าพระพุทธเจ้าก็ตามเอาพูดอย่างแบบโลกโลกหรือแบบ เราเล่าเนี่ยบ้านหนึ่งว่าได้เห็นพระพุทธเจ้าในขณะที่จิตมีความสงบใจก็ไนเคยเห็นหน้าพระธรรมว่าเป็นหน้าชนิดใดก็จะได้ปรากฏขึ้นในขณะที่ใจของเราได้รับธรรม้งบนะทั้งครับถ้สงสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นรูปพันธสันฐานอย่างไรก็จะมาปรากฏองของท่านขึ้นในขณะที่จิตสงบนั้นเดียวกัน ทั้งสามรัตน์พระนั้นธ่าจึงกล่าวเป็นธรรมรับรองไว้ว่าโยธรรมังปะปะกติโสมังต ป, ะ, ปะตินานะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นคือว่เาเห็นเรากต่เพียงคนพอถงนั้นจึงควรจะกล่าวได้อย่างได้คิดติดกับใจของเราทีเดียวว่ า, าพระพุทธเจ้าคือดวงจิตที่บริสุทธิ์ พระธรรมคือธรรมชาติทพิเภกจันเกิดขึ้นจากใจที่บริสุทธิ์เดียวนั้นพระสงฆ์คือเจ้าของแห่งความบริสุทธิ์และพระธรรมอันพิเศษนั้นแม้เราจะไม่ถึงขนาดนั้นก็ต า, ามเพียงได้ก้าวเข้าสู่กระเสอแห่งความสงบนั้นเรียกร้อยเราได้ข้าพึ่งชายคาลิลุ่มของพระพุทธเจ้าโดยปริยายนี้ย ยึ่งทำใจให้มีความสงบเยือกเย็นมากเท่าไหร่เราก็ค้ากันกับว่าเราได้มองเห็นข้อพกายพร้อมทันจะทำระดับห น, นึ่ควารใจคิดผ่านในใจของเายิงใจได้ถอดถอนพละเคลื่อนสดถ่วงจิตใจออก ไมาโดยวิธีปฏิบัติออกให้มากเท่าไหร่ใจยิจ่งจะทรงอำนาจวาสนาเห็นธรรมชาติคีอใจนั้นว่าเป็นของมีคุณผ่าขึ้นภายในตัวของเราและจะรู้ว่าจุดแห่งความสุขความสิล น, นั้น ได้จะจุดแห่งใจที่ตรงไ้ซึ่งความสงบเที่ยงตรงนี้มีเรื่องของความมีคุณค่าของใจจะเริ่มปรากฏขึ้นมาในท่านผู้ปฏิบัติแต่ลบท่านแต่ละท่า น, านโดยลำดับไปเั่งนี้จนถึงขั้นมีคุณค่ายิ่งหาอันไรเทียบไม่ได้ในไตรโลกธาตุเ้งเมื่อกิเลสได้สุ่นสูนไปจากจิตใจ จงไว้ซึ่งยมุตตุโพภายในใจอย่างนั้นแหละผู้นั้นแหละเป็นผู้มีคุณธรรมเหนือไตรโลกกธาตุและเหนือสมบัติใดๆที่มีอยู่ใจโลกในใจโลกกธาตุไม่รู้จะไม่มีสมบัติใดๆยื่นกว่าใจที่หยุคพ้นแล้วจากเครื่องสัถ่วงทั้งหล่อยรงไว้ซึ่งลุทธาสานุภาพภายในตัวเองและจงไว้ซึ่งความบริสุทหมดจดโดยยิ้นเพลงภายในใจ นั่นแหละท่านเรียกว่าแกมหาสมบัติลุกแก้กาสารพัดเลยมหาสมบัติไม่มีสมบัติใดๆที่จะเกียบเท่ากับจิตที่บดยจิดกุโพโดยจินเชิงภายในเจตเจริญขมานิโรธาด้วยควาดับผนิทแทนทุกนั้นเราจะไม่ต้องไปถามหาที่ตรงไหนแหม้พระพุทธเจ้าจะยังทรงพระคุณอยู่ก็ตามเราจะไม่ มีความจำเป็นทันใดโดยถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเราแล้วเราจะต้องไปถูมถามท่านและท่านตักถึงให้เช่นี้จะไม่มีในขณะิดของในขณะดิดของท่านผู้ทีดิตพ้นไปโดยสิ้นเชิง น, นั่นเลยเพราะเหตุดใดเพราะว่าสันติกิโกพระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้ให้เป็นสมบัติของแต่ละท่านสำหรับผู้ดาเนินตามทางพระพุทธเจ้าจะต้องเห็นเช่นเมโยงกับพระพุทธเจ้าอาการลิโก ถ้าทำเป็นของมีดีูกับส่วนหนึ่งผู้ปฏิบัติของคุณเฮียฮิปฏิโกสแสดงอยู่ตลอดเวลาภายในใจเดียวัจแต่จะตังเมริตะโบวุงดุลิคำว่าท่านผู้รู้นั้นจะไปรู้ที่ไหนนอกจากจะรู้ภายในตัวเองแล้วจะไปถามพระพุทธเจ้าที่ไหน ถ้าคำว่าสันทิธิกโกเป็นธรรมทุ่สมุนแม่ภายในผู้ปฏิบัติที่ได้เรู่องแห่งหนึ่งชัดผู้นั้นหมดเรื่องของทุตสมุทัยนิโรธแล้ก็เป็นอันมาาท่านผู้นั้นไม่เรียนจบตลอดไม่มีอัน่งสกท้างอยู่ทุ ก, ก็เรียนรู้ทั้งเรื่องของทุก์ด่วง ทั้งสมุทฐานเป็นที่เกิดขึ้นแห่งทุกข์ก็ถอถอนได้ด้วยอำนาจของมัฏฐที่สีสมาธิจังหวะนี่ลทัศอันเป็นเรื่องั้นอันเป็นธรรมเครื่องสนองมัฏฐปฏิบัติพ่อปฏิบัติที่ดำเนินเนโดยสมุนแล้วก็จะปรากฏขึ้นภายในใจเรียกว่าเป็นผู้เรียนจบอรรยสัจสีโดยสมุนภายในใจ กลายเป็นคนพิเศษขึ้นมาในโลกที่เต็มไปได้วยความรุ่นร้อนอันนี้ขขอให้บรรดาท่าน น, า น, า น, า น, น, นักปฏิบัทั้งหลายต้งพยายามบำเพ็ญตามหลักอริยสัจของพรปฏิปิศาสตามฐานะและกําลังความสามารถของเราจกเป็นอริยสัจใดก็ตามเพื่ออริยสัจมีสามฐานหลักว่าอริยสัจในครอบครัวก็ อาญาสัต์ของนักบวดของนักปฏิบัติก็เรียกว่านักาอาญยสัตว์ส่วนต่ําก็มีเสียรตสงก็หาได้ในบุคคลผู้เดียวเราจะดูในครอบครัวแต่เราจะปฏิบัติทั้งอาญาสัตว์ในครอบครัวจะปฏิบัติทั้งอาญาสัตว์เพื่อความหยุดท้นก็ได้อยู่ในตัวของเราโดยไม่ต้องหาหยุดยืนเพศหยุดยืนภูมิภำมที่เปฏิบัติมาจากท่านผู้ใด จะระดิดขึ้นได้กับที่บัพดาทางตัวของเราเองพ้นอันเป็นที่พึงพอใจละเป็นเครื่องสนองตอบแทนเราเป็ น, นำลำนากดํบากขอแต่การําเนินั้งเราให้เป็นแต่การเนตตาคือพระพทุทธเจ้ารทรงมีไรเท่านั้นฉะนั้นในอาสารขอพระธรรมเทรนานเพราะขออำนาจห่งคุณเจสีรลนไตรคือพระพทุทธเจ้าก็ทำประสงค์จนบนบรรดาให้กัน นั่ัปฏิบัติภารายไม่สมความเมตตาโดยเท่า น, นั้ น, นเอง